ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องชีวิตไม่สุดโตงโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่16กันยายน2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัตรนี้ค่ะ จะเรีนทาพวกเราทุกคนช่วงนี้นี่นะบรรยากาศทั่วๆไปค่อนข้างอากาศดีนะฝนตกอากาศเย็นดีสบายมีคนถามมารมมาเห็นเ็นสมณะบินทบาทเสร็จแล้วก็เปียกฝนนะนะบอกเอ๊ะท่านท่านใช้ล่มไม่ได้เลยมีนะบางทีบินทบาทไปที่บางสายเนี่ย โยมก็เห็นเปียกใช่ไหมโยมไม่ได้ใส่บาตรด้วยนะแต่ก็เห็นสมณะเดินไปเนี่ยแล้วก็ฝนมันตกเปียกโยมเขามาถามแล้วก็ถือร่มมาให้เลยนะแล้วเขาก็บอกท่านท่านนิมนต์ใช้ร่มก็เลยต้องบอกโยมเขาบอกว่าอ่าก็ถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นสมณะเนี่ยถ้าตามวินัยเนี่ยเราไปบินบาตไปอะไรพวกนี้ ไม่ใช้ล่มอยู่แล้วแต่ไม่รู้นะที่ไหนจะมีไหมนะอันนี้ถ้าพูดตามวินัยเนี่ยไม่มีหรอกพระเจ้าท่านมีอนุโลมไว้บ้างก็ใช้ในวัดเนี่ยได้ท่านมีอนุโลมคือการอนุโลมนะใช้ในวัดเนี่ยได้หรือข้างๆวัดได้แต่ถ้าจะใช้ล่มเนี่ยไปในที่ต่างๆไปที่โน่นที่นี่อ่ะไม่ได้นะถือว่ามีอาบัติถือว่ามีความผิด ในพระมีอยู่นะก็เลยเนี่ยต้องบอกให้โยมรับรู้วันนั้นก็เดินเนี่ยเดินบินดบาบัดไปสายออซอยแดนตะวันที่หน้าซอยเนี่ยมันก็แห้งเดียนะไม่ค่อยมีน้าอะไรแต่พอข้ามสะพานคือมันจะเดินเข้าไปได้ช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีสะพานพอข้ามสะพานไปท่านั้นนะโอ้โหท่วมข้างในเนี่ยท่วมหมดเลย เดินบินสบายเข้าไปครึ่งแข้งเลยมึง <laughs> เดินเข้าไปเดินเรียกว่าต้องลากเท้าค่อยเลยเดินลากเท้าเพราะว่ามันมีอยู่สองมีอยู่สองอย่างอ่ะถ้าเดินเจอน้ำเนี่ยคืออย่างหนึ่งก็ยกเท้าสูงๆกระจอมๆนะยกเท้าสูงๆ อ, อ, <laughs> นะอีกอย่างก็คือว่าไม่ยกเท้านะแต่ก็เดินลากเทา้าแต่มันจะต้านไปกับ น, น้ำเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยจะหนักหน่อยหนักเท้าหน่อย ก็เลยเดินเข้าไปน้ำยังนึกอยู่เลยแบบโอ้โหไม่รู้ยิงเข้าไปน้ำจะยิงสูงหรือเปล่าแล้วบางทีเ้ามีรถมาเนี่ยพอรถมาเนี่ยคือรถรถจากในซอยอะ่ะโอ้โหมันก็เป็นคลื่นเนี่ยเป็นคลื่นมาเนี่ยก็สาดขึ้นมาเลยแต่ก็ไม่รู้สินะเคยคุยกับเพื่อนสมณนะว่า เออถ้าเข้าบรรษาเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนะหรือว่าเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยบินทบาทแล้วไม่เปียกฝนเนี่ยนะเออก็อรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้เข้าบรรษ า, าเท่าไหร่ <c oughs> จริงๆมันก็เป็นฤ ด, ดูการนะนะที่ ท, ที่ที่ให้เรารู้ว่าเออช่วงนั้นช่วงนี้เป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยถึงได้กาหนดแล้วก็ถึงได้บัญญัติขึ้นมานะ ว, ว่าเออช่วงหน้าฝนเนี่ยกให้หยุดนะ นะให้อยู่กับที่นะนะมีสถานที่พักหรือมีอะไรที่เอาตั้งจิตตั้งใจไว้นะสามเดือนจะอยู่ในที่นี้จะไม่ไปที่อื่นยกเว้นว่ามีเหตุสำคัญจำเป็นนะก็เขาเรียกว่าสัตหะไปได้ไม่เกินเจวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยท่านก็จะกำหนดอย่างเงี้ยขึ้นมานะซึ่งจริงๆก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าท่านก็ดูเนี่ยแหละ ดินฟ้าอากาศดูเหตุการณ์สถานที่ภูมิประเทศอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บัญญัติขึ้นมาตามความเหมาะสมซึ่งมันก็ใช้ได้มาถึงทุกวันเนี่ยรวมไปทั้งโดยปกติก็จาริกไปเรื่อยๆนะเหมือนทั้งมอ น, นี่ก็นะ <c oughs> ออกพรรษาเยวก็ไปเรื่อยนะเยวก็ไปจุดนั่นจุดนี้แต่สามเดือนเนี่ย นี่ก็อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยที่สันติอโศกเนี่ยที่ที่มาประจําอยู่นะทุกเข้าพรรษาอ่าเนะพราะฉะนั้นที่แน่นอนคือใครอยากพบท่านหม่อนก็มาช่วงเข้าพรรษาก็เจอแน่ที่สันติอาโศกท่านก็ท่านก็กำหนดกังท่านนะอันเนี้ยซึ่งซึ่งวินยัยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะบัญญัติอย่างเงี้ยจริงๆช่วงสามเดือนเนี่ยหัดอยู่กับที่บ้าง อันจริงๆในศาสนาพุทธเนี่ยู้เจ้าท่านโอชาลาท่านรอบครอบท่านพยายามที่จะให้แต่ละคนเนี่ยหรือแม้แต่บวชมาเป็นภิกษุก็ตามท่านจะพยายามที่จะให้ได้ทั้งสองส่วนนะคือเคลื่อนที่ก็เคลื่อนได้ไม่ต้องมาติดยึดที่นะสามารถไ ป, ไปที่นู่นไปที่นี่ไม่ต้องมาอะไรอาวร อ, อย่เงี้ยอ่าก็ตลอดตลอดไป แล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปอันนั้นก็เป็นการฝึกฝนแต่คราวนี้ถ้าตลอดลอไปแล้วหยุดไม่เป็นเลยหยุด <c oughs> หยุดไม่เป็นเลยมีปัญหาเหมือนกันนะก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้เหมือนกันเพราะนั้นท่านก็เลยมีแบบว่าเนี่ยเอา้าสามเดือนหัดหยุดบางที่หัดอยู่กับที่บางที่นะก็สามเดือนเนี่ยไม่ต้องไปที่อื่นหรอกอยู่อย่างนี้แหละอยู่ประจาที่แล้วก็ฝึกฝนตัวเองก็ยังต้องฝึกอยู่ดีนะ วันนี้ท่านก็จะให้ฝึกโดยสอนส่วนจนในที่สุดเคลื่อนกายย้ายจุดได้ประจําอยู่ก็ที่โดนจับนิ่งๆเหมือนติดคุก <c oughs> นะก็ได้ติดคุกก็ไม่เดือดร้อนเลยเ น, ยนี่นี่พูดสํานวนนะความจริงไม่ได้ติดคุกอยู่แล้วอะ่ะแต่บางคนเนี่ยถ้าตะลอนตลอนจนเรียกว่าเคยชินแล้วแล้ววางจิตวางใจไม่ได้ให้จับอยู่กับที่นี่ไม่ได้เลยนะ โอ้โหเหมือนติดคุกเลยจริงๆมันทุรนทุลายคืออาตมา ก, ก็ก็เคยเห็นมาแล้วแหละนะที่บางทีไม่ต้องอื่นไกลนี่แหละก็นักบวชนี่แหละก็เห็นเลยว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้อาการออกเลยจริงๆนะบางทีนี่เดือนแรกยังยังพอไม่เท่าไหร่เดือนที่สองชักเห็นเลยพอเดือนที่สามเนี่ยทันทีเลย <c oughs> เริ่มไม่สุขเลยนะโอ้ต้องเดี๋ยวต้องหาเรื่องไปตรงกันไปตรงยี่จนได้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงโดยโดยสภาวะจิตแต่ถ้าใครเนี่ยก็ทำได้ทั้งสองส่วนก็มมีปัญหาอะไรเลยนะถ้าใครฝึกแล้วฝึกโดยทั้งสองส่วนถ้าพูดโดยภาษาง่ายๆทั่วไปก็พวกเราก็มักยากใช้สายเจโตบ้างสายปัญญาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆทั้งสองสายเนี่ยก็มีมีดี ทั้งสองสายอยู่แล้วแต่มันก็มีจุดอ่อนของทั้งสองสายอยู่บางทีอาจามาก็ยังพูดเล่นๆกับบางคนนะเออนะอย่าง น, น้อยก็ให้มีดีสักสายหนึ่งนะดีกว่าไร้สายเลยนะคือไม่มีดีเลยสักสายหนึ่งไออย่างนี้แย่ที่สุดเลยบางทีก็บอกว่าอบางคนก็เจตัวอ่อนแถมปัญญาอ่อนอีกตั้งหาก <c oughs> โอ้ยอย่างเงี้ยสวยที่สุดเลยนะ ใครที่อย่างนี้เพราะว่าจะเจอสถานการณ์ไหนซึ่งส่วนใหญ่มันก็มีแค่สองสถานการณ์นะ่ะนะโดยรวมๆโดยใหญ่ๆเพราะถ้าเจออย่างที่ตัวเองถูกจริตก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันถูกจริต่อย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบอยู่กับที่อยู่แล้วเงี้ยเออให้มาจับปุ๊บอยู่กับที่ทำไม่นด่ไอ้นั่นทำไอ้นี่นะไม่ต้อง ไปที่โน่นไปที่นี่ก็ถูกใจก็พอใจมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันมันสายนั้นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพอเจออ้าวขอให้ย้ายไปโน่นบ้างอ่าให้ไปที่นั่นบ้างคราวนี้เริ่มทุกข์แล้วเริ่มชักรู้สึกไม่อยากไปไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าอยู่กับที่เนี่ยมันสุขอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้ ว, ย อ, ยลวอย่างเงี้ย ใช่ไแต่ส่วนอีกอีกพวกห น, นึ่งเขาเนี่ยสมมุติว่าอาก็ชอบเคลื่อนกายย้ายจุดอยู่เรื่อยตลอดเวลาให้อยู่ๆกระที่ไม่ได้ก็ทุกข์มันถึงบอกว่าอย่างนี้ยังไม่พ้นทุกข์ไม่ว่าสายไหน ถ, ถ, ถ้าตรงอยู่แล้วไม่สามารถที่จะฝึกปือตัวเองให้ให้วางให้จางลงได้พอเจออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ตรงกับจริตตัวเองก็ทุกข์ หรือไม่ก็งุดหยิดลำคาญไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรขึ้นมานะมันไม่เป็นสุขได้เพราะในศาสนาพูดเนี่ยจริงๆแล้วนะถึงได้แบบว่ า, าพยายามให้ได้โดยทั้งสองส่วนนะซึ่งซึ ง, ซ ง, ซงพุทจาธงการใช้คำว่าอุปตโตภาคนะวิมุตก็คือว่าว่าสามารถที่จะได้ทั้งสองส่วนเลยจิตใจเนี่ยไม่ตรงอะไรจนเกินไป ไม่อย่างนั้นบางคนเนี่ยมีความสุขอยู่ได้เหมือนกันวิมุตได้เหมือนกันเจโตวิมุตได้ปัญญาก็วิมุตได้แต่วิมุตแบบไหนมันก็ยังตงอยู่นะก็ยังตงอยู่แบบนั้นนถ้ายังไม่ได้โดยสองส่วนหรืออาตมาพูดแบบง่ายๆลงมาอีกที่บางทีเราจะได้ยินบ่อยๆนะอย่างบางคนเนี่ย อ, อะไรอ่ะเมตตามากเมตตามากเอายกยก ยกตัวอย่างบางทีเร็วๆนี้เขาเพิ่งให้คะแนนพวกเด็กนักเรียนไปนะ ส, สัมมาสิกขาเนี่ยสายเมตตามากเนี่ยโหให้คะแนนดีจังเลยนะคะแนนสูงดีมากเลยโหเด็กๆนี่ได้คะแนนเนี่ยสูงเร่วเลยอ่าแต่ถ้าอีกสายหนึ่งอะไรอะ่ะถ้าไม่ใช่แบบไม่ค่อยเมตตาเท่าไหร่แบบเคียบๆหน่อยนะเข้มเข้มคุ้นๆหน่อย สายนี้ให้คะแนนเด็กนักเรียนก็กดคะแนนหน่อยบางทีไม่ไม่ค่อยให้สูงเ่ก็เลยกดคะแนนต่ําๆหน่อยอ่าหรือนเนี่ยสายเทียบเทียบสายวินัยสายอะไรซึ่งจริงๆเนี่ยอาตมาเคยเคยจําได้นะที่พ่อท่านเทศอาตมาก็เอาไปใช้ยิ่งโดยเฉพาะเคยพูดให้บางคนฟังว่า oh, อู้อาตมาเอามาใช้มากเลยช่วงที่ตอนนั้น เป็นสมพานยอยู่ที่เนี่ยบอกโอ้โหต้องใช้สองข้อนี้มากๆเลยเพราะถ้าไมใช้สองข้อนี้รู้สึกแหมมันคงหงุดหงิดแล้วก็จะจะทุกข์เอามากๆด้วยสองข้อเนี่ยคือจําแม่นเลยเพราะพอท่านพูดพระสูตรนี่แล้วก็พอท่านอธิบายให้ฟังแล้วก็เอาไปใช้ก็คือเมตากับอุเบกขา โอ้ต้องจำมากมากเลยลก็ต้องเอาไปใช้ให้ได้จริงๆด้วยในชีวิตอันนี้ก็เหมือนเนี่ยเหมือนเจโตเหมือนปัญญาเนี่ยคือเมตตามันก็เป็นลักษณะเหมือนปัญญาเนี่ยจะเอือ้อจะเกลือจ ะ, จะอะไรอะ่ะจะกว้างออกไปนะเมตตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเหมือนกับปัญญานะส่วนอุเบกขาก็เหมือนกับสายเจโตเนี่ยสายเจโตค่อนข้างอยู่ในภพเพราะว่าค่อนข้างจะสมถะไงค่อนข้า ง, งอยู่ในภพค่อนข้าง ไม่ยุ่งกับใครนะเอาตัวเองเป็นสำคัญบรรลุก็ไม่รู้หละใครยังไงก็ช่างเอาฉันบนรรลุก่อนอะไรทำนองเนี่ยแต่เวลาเราอยู่กับหมู่กลุ่มอยู่กับอะไรจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องใช้สองอย่างนี้มากเลยนะโดยโดยจริงๆเนี่ยอาตมาเนี่ยบอกตรงๆเลยอาตมาค่อนข้างสายเจโตค่อนข้างสายสมถะไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครหรอก ถ้าเป็นแต่แต่เดิมนะถ้ายังไม่มาอยู่ที่อโศกเราเนี่ยโอ้ไม่ยุ่งกับใครหรอกทำงานก็ส่วนใหญ่ชอบทำงานคนเดียวไปไหนก็ชอบไปคนเดียวขนาดไปดูหนังฟังเพลงไปอะไรต่ออะไรก็ไปคนเดียวถ้าไปกับคนอื่นแล้วลาคานทีมพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แหมําคานมันชอบชอบไปคนเดียว จริงๆอยู่บ้านเนี่ยมีพี่น้องมีอะไรเยอะแยะก็ไม่ค่อยจ้คุยอะไรใครมากนะส่วนใหญ่อะนอกจากเออโอ้โหวันไหนอารมณ์ดีจริงๆหรือว่ามันมีเหตุมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหก็มาคุยกันแต่ไม่งั้นปกติเนี่ยออทำงานก็ทำงานไปใช่ไหมพอเราเลิกงานเราก็เข้าห้องเราเลยพร้อมในห้องเรามีโลกส่วนตัวของเราอยู่แล้ว เออทีวีอะไรอ่ะวิทยุสมัยก่อนมันเป็นแผ่นเสียงอะไรพวกเนี้ย น, นะมีอยู่แล้วเราจะดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่ในโลกของเราก้อห้องเราเลยอ่าสบายมีความสุขมากไม่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครแต่ก็มีเพื่อนนะอ่าก็มีเพื่อนฝูงอยู่บีเพื่อนฝูงก็มาหามามาหาที่บ้าน อาตมาไม่ไม่เคยไปบ้านคนอื่นเขาักท่าไหร่มีแต่เพื่อนเพื่อนมาหาที่บ้านนะแต่เข้ามาหาอาตมาก็เอาก็ต้อนรับเพื่อนฝูงก็ต้อนรับก็อะไรไปแต่จริงๆก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ค่อยไม่ค่อยอยากติดต่อไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรมากเราจอสมัยก่อนอาตมามีมีมีโศกประจำใจตัวเองอยู่ว่ามีเพื่อนคนเดียวก็มากพอแล้ว มีเพื่อนคนเดียวก็มากพอแล้วเพราะนั่นไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเท่าไหร่แต่มีเพื่อนแล้วก็ถือไว้นั่นเลยนะถ้าคนไหนเป็นเพื่อนเนี่ยต้องถือว่าต้องเป็นเพื่อนตายเลยอ่ะต้องเป็นเพื่อนซีเลยจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่เอาเพื่อนเยอะนะเอาน้อยๆน้อยๆสบายใจด้วยแล้วก็มันไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องไป ยุ่งอะไรกับใครอืมนเพราะฉะนั้นน่โดยตัวเองเนี่ยค่อนข้างเป็นสายแบบนี้แต่หลังเนี่ยพอมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมเออค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจแต่มันอาศัยเวลาเหมือนกันนะคนเราไม่ได้อยู่ดีๆก็เข้าใจปุ๊บๆุ๊ปั๊ บ, บ, บ, บ, บหรอกต้องอาศัยเวลาจำได้มาอยู่ที่สันติยโศกเนี่ยโบทใหม่ๆแล้วก็เนี่ยก็เป็นปาเป็นนาค ก็ทั้งขึ้นมาเป็นนักบวชบทปี แ, กแรกบวชใหม่ใมเป็นนวกักกะอยู่เนี่ยในช่วงห้าปีอุ้ยแทบไม่ค่อยจะคุยอะไรกับใครเทอะไรหรหอกส่วนใหญ่ก็ทํางานก็ทํางานอะไรที่เป็นภาระเป็นหน้าที่แล้วเราก็ทําอยู่แค่นั้นนะไม่ค่อยไปยุ่งกับใครยังจําได้รู้สึกไม่รู้ว่าเป็นศิกขะมาศ กล้าข้ามฝันหรือเปล่าน ะ, ะปรากฏว่าเนี่ยในบรรษามีอยู่บรรษายัางเจอกันเครื่งงงองชื่อยังจริงอัตมาอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประจําที่สันตินะไม่ค่อยจะไปไหนที่อื่นปรากฏว่าเจอกันพอเจอเสร็จสีข่ขะม่านเขาก็ถามเอา้าวท่านอยู่ที่สันติอโศกแล้ว <laughs> ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอะไรพร่อเหมือนอย่างกับว่า ไม่ค่อยเห็นหรือว่าไม่ค่อยเจอหรือว่าอะไรไม่ค่อยจะยินเสียงเลยน ะ, ะก็ขนาดนั้นถ้าให้อยู่อยู่สันติด้วยกันนะ่นะยังถามอย่างนั้นเลยเพรางจริงกั น, กนมาไม่ค่อยยุ่งกับใครแล้วใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นสายแบบเจโตหน่อยเวลาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าจะลดกิเลสอะไรนะก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งไปบอกหรือว่าไปอะไรกับใครเขาหรอก เราปฏิบตัติเราก็ทำของเราไปเงียบๆเฉยๆเราก็ทำของเราไปส่วนใหญ่ก็ฝึกฝนปฏิบัติของเราไปตามนั้นเลยใครจะรู้ไม่รู้ก็ช่างไม่ไม่สนใจด้วยเราก็ทำของเราก็พอแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็สบายดีด้วยตาบะล้มก็ไม่มีใครรู้ <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้จริงๆน ะ, เ, ะเราทำได้ก็ภูมิใจตัวเองนะ เวลาทําได้ก็ภูมิใจตัวเองแล้วใครไม่รู้ก็ช่างดิเรารู้ของเราอ่ะอ่มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งอยู่ในโลกตัวเองแต่พอตอนหลังเนี่ยเอาฟังทำรร ม, มากเข้าเอพ่อท่านฟังเทศพ่อท่านมากเข้านะแล้วก็เนี่ยฟังเพื่อนสมณะบ้างฟังพวกเราพูดบ้างอะไรมัง่งเออค่อยๆค่อยๆเข้าใจว่าเออถึงแม้อย่างนั้นน่ะเราก็ปฏิบัติทําได้แล้วเราก็ มีความสุขได้แต่เรารู้เลยว่าเรายังตรงตรงมันยังไม่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้สมบูรณ์จริงตามหลักการของศาสนาพุทธหรอกเรายังไม่ถึงความสมบูรณ์เราอาจจะลดกิเลสได้เราอาจจะมีความสุขได้ในการปฏิบัติธรรมแต่มันตรงตรงอยู่นะเอาสมมุติว่าเขาถึงมีไง อ, อย่างภาษารี่บุตรนะก็ ยกไปเป็นสายปัญญ า, าพระโมคขาลานะายกไปสายเจโตไปสายทางฤทธิ์หรือประกัศส ป, ปะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็สามารถบรรลุทำได้ท่านก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้แต่ในความเป็นจริงท่านก็ตง <c oughs> ท่านยังไม่พอดีหรอกท่านยังไม่สูงสุดได้ไม่บริบูรณ์แลาวเราก็ถึงถือว่าที่บริบูรณ์แล้วก็สูงสุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยเราถึงยกให้พระพุทธเจ้า เพราะท่านสามารถจะอุปโตภาคท่านสามารถที่จะมีทั้งสองส่วนเนียอยู่ด้วยกันได้อย่างพอเหมาะและ้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนทุกคนได้เพราะอะไรก็เพราะท่านมีความรู้มีมความเข้าใจอย่างดีทั้งสองส่วนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างคนเราปกติเนี่ยถ้าเราตรงอยู่ในสายไหน คุณช่วยเนะี่ยคุณจะช่วยได้ดีก็เฉพาะคนในสายเดียวกันนะคุณจะช่วยได้ดีแต่ถ้าอีกสายมารับรองเลยว่าโอ้โหคุณช่วยไม่ค่อยได้หรอกและไม่เพียงแต่ไม่ค่อยได้นะเพอเพ อ, เ, อเนี่ยเขาเขาจะอิดอัดเขาจะหนักใจกับเราด้วยถ้าเขาเป็นอีกสายหนึ่งขาจะไม่ค่อยยินดีพอใจแม้ว่าเรามีเจตนาดีอ ย, าอย่างอย่างอตมาเงี้ยบางทีเอาแนะนาหรือบอกสอนไปถ้าอัตมาอยนะ่างอยู่ในสายไหนอ่ะ สายสายเดียวกันเข้ามาเนี่ยโอ้โหจะเคารพศรัทธาแล้วก็จะแหมเชื่อถือเชื่อปังเชื่อมั่นได้อย่างดีเลยนะแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปเกิดผลดีด้วยนะเออสำหรับคนนั้นนะ เ, นะเนี่เอาสมมติสมมตินะนี่อาตมาสมมติถ้าอาตมาเป็นสายเจโตเนี่ยสายเจโตด้ดยกันเข้ามาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าการปฏิบัติจะดีมากเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสายปัญญาเข้ามาหาอาตมานะ เอาละสิคนนี้ชักจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แล้วนะครนนี้แล้วบางทีแนะนำอะไรไปนี่ก็ทำไม่ได้สายปัญญาเอาไยพยานไปใช้ไปปฏิบัติทำไม่ได้ญญเอเอหรือทำได้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ได้ผลน้อยมันจะเป็นอย่างเนี้ยหรือถ้าสมมติสมมตินะ อัตรมาเป็นสายปัญญาสายปัญญาจะแนะนําอย่างหนึ่งใช่ไหมโอ้แนะนําอย่างงั้นอย่างนี้วิธีการอะไรต่างๆส่วนใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปสายปัญญาโอ้มีเหตุผลมีแง่มุมมีอะไรเยอะแยะแนะนําให้แล้วส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยบีพผามหรอกสายปัญญาดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูบนดูล่างเหตุผลเยอะแง่มุมแง่มุมเยอะ แล้วโอ้แนะนําดีอู้ยรายละเอียดอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพราะเจอสายปัญญาเช่นกันโอ้โหชอบเอาไปใช้โอ้โหได้ผลดีแล้วก็วเข้าใจโอ้โหคลายทุกข์คลายร้อนได้อย่างดีเลยอแต่พอคราวนี้ถ้าสายเจโตมาหาสายปัญญาสายปัญญาแนะนําโอ้สายประโยชน์แต่สายสายเจโตจะรู้สึกว่าก็เขาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะแต่บอกแล้วมันมันไม่ค่อยถึงจิตถึงใจแล้วมันก็แหม่ไม่ค่อย เต็มที่ไม่ค่อยได้ผลเต็มเหนียวอะไรนักอะ่ะเพราะจะรู้สึกว่ามันมันเบาไปรู้สึกบางทีแหมมันมันไม่ถึงอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงถึงบอกว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันก็จะได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าใครยังไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์จริงแล้วนะสมมุติแต่ถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยสายไหนมาก็ตาม ท่านสามารถที่จะพูดง่ายแนะบอกได้อย่างดีเพราะสายเจโตมาท่านก็แนะอย่างเจโตให้ได้สายปัญญามาท่านก็แนะอย่างปัญญาให้ได้แล้วก็ได้ผลอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีตัวอย่างเนี่ยที่อะไระลูกช่างทองภาษารีบุตรเป็นคนรับเอาไว้แล้วก็บอกสอนเพื่อที่จะให้บรรลุธรรม ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ภาษาลิบุตรก็เอามาสอนอยู่รู้สึกจะสเดือนหรือยังไงเนี่ยมัยก็จําไม่แม่นแล้วน ะ, ะก็มาโหแนบบอกสอนใหญ่เลยภาษาลิบุตรสายปัญญานะเสร็จแล้วก็เอานี่ลูกช่างทองใช่ไหมท่านก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลลูกช่างทองส่วนใหญ่ก็ต้องสุขสบายมาต้องกินดีอยู่ดีมาใช่ไหมเราก็จะต้องอะไรอ่ะ จะต้องติดสวยติดงามจะต้องอะไรอย่างเงี้ยท่านพิจารณาตามเหตุผลซึ่งึ ง, งตามทฤษฎีก็ถูกต้องด้วยนะว่าอ๋อถ้าอย่างนี้มาเนี่ยพะนั้นท่านก็สอนท่านเป็นสายปัญญาเพราะนั้นไม่ใช่ว่าแม้สายปัญญาไม่รู้เรื่องเจโตเลยก็ไม่ใช่น ะ, ะท่านก็ต้องรู้เหมือนกันเศตนี้ท่านก็เลยเออท่านอย่างนี้นี่ท่านก็ควรจะสอนปัญญเชิงอสุภะให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาพวก อีวอนพวกเข้าของเครื่องใช้อะไรที่มันแบบว่ามันเป็นอสุภะหน่อยอ่ะหมายถึงว่าเก่าๆหน่อยมองๆหน่อยให้ใช้ก็เพื่อที่จะได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้อะไรอ่ะได้บรรลุได้เสร็จแล้วก็ให้ไปบินธบารก็นั่นแหละไปบินบินธบารในสถานที่ทีอ่อาหารหรือว่าอะไรมันจะค่อนข้างชาวบ้านชาวบ้านเนี่ย ไม่ปณีดไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นของหน้าอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็พยายามเงี้ยให้ให้ภิกษุรูปเนี้ยไปอยู่ในลักษณะพวกนี้ท่านก็หวังว่าจะได้บรรลุทําได้เร็วแต่ปรากฏว่าน่นนะสามเดือนก็ยังไม่บรรลุเลยจนกระทั่งภาษาริบุตรท่านก็คิดว่าท่านหมดปัญญาละท่านไม่สามารถที่จะทําให้บรรลุได้ท่านก็เลยพามา พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็อ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนเองพอมาถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็พิจารณาเหมือนกันพิจารณาเสร็จพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เหมือนภาษาริบุตรเลยท่านก็ให้เปลี่ยนหมดเลยโดยที่ให้ใส่จีวร น, น, นันบนีต <c oughs> ให้ไปบินาบาบในสถานที่ที่เรียกว่าโอ้โหน่ามี อาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ได้บินทบาดมาก็ได้บินทบาตอย่างปนีดมาอเสร็จแล้วยังไงพอบินทบาตมาเสร็จท่านก็โหลไปให้นั่งอยู่ริมสะอันสวยงาม <c oughs> โอ้มีดอกบัวนในบึงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วท่านาให้ให้นั่งฉันตรงนั้นนะบอกเออให้ให้นั่งฉันไปแล้วก็ แล้วก็ดูเอ่พวกดอกบัวพวกอะไรไปนะพอฉันพารุมนี้ก็ฉันเสร็จฉันเสร็จนะพระเจ้าข้าบอกว่าให้พิจารณาดูพวกดอกบัวอะไรในบึงนี้ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าน่าทัฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพิจรารณาดูก็พิจรารณาท่านได้เห็นใช่ไหมเออกรดอกบัวก็มีหลายประเภทนะดอกบัวที่บ้านก็มีอดอกบัวที่กําลัง ตุมๆอยู่ก็มีดอกบัวที่บางทีบานจนกระทั่งกลีบร่วงแล้วอ่ะเหี่ยวแห้งแล้วจนกระทั่งไอ้ดอกมันเนี่ยอะไรอ่ะหลุดหลุดขาดไปแล้วอะไรเนี่ยเหลือแต่ก้านก็มีอะไรเงี้ยเนี่ยพอตอนเนี้ยตอนเนี้ยพอจิตพอจิตของภิกิตรูปนี้ท่านก็พิจารณามาถึงตรงนี้จนมาถึงตรงนี้แล้วนั่นนี่ก็เป็นอสุภาพเหมือนกันนะแต่พระเจ้าท่าน ฉลาดมากเลยท่านสามารถที่จะใช้อสุภะที่ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นอย่างภาษาลิบุตรใช่ภาษาลิบุตรโอ้ต้องใช้กีวรใช้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอสุภะแต่ผู้เจ้าเนี่ยีวร อ, อะไรต่างๆท่านไม่ต้องนะ่ยท่านก็ให้ใช้อย่างดีด้วยอให้สบายเนื้อสบายตัวด้วยซ้ำไปแต่พอมาถึงพิจารณาที่เป็นกสินของดอกบัว คราวนี้เออท่านให้ให้มาพิจารณาอสุภะของดอกบัวว่าเออมันเหี่ยวมันแห้งมันมีตายไปอย่างนี้แล้วช่วงจังหวะนี่แหละที่พอจิตมันเข้ากระแสตรงเนี้ยผู้เจ้าก็รู้ละ ว, ว่าโอนี่จิตเข้ากระแสตรงนี้แลเห็นอสุภะได้ชัดเจนแล้วตรงนี้คุุเจ้าท่านก็มาสอนเลยพอสอนเสร็จพิกสุรูปนี้ก็เข้าใจ <c oughs> เข้าใจเสร็จท่านก็บรรลุได้เลย มันผู้เจ้าเนี่ยพามาฝึกเนี่ยวันเดียวเท่านั้นแนะภิกษุรูปนี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่คือฝีมือของความแตกต่างกันที่อาจะมาบอกว่าเนี่ยผู้ที่สมมุติว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์เนี่ยจะเข้าใจอะไรได้แง่มุมได้รอบทวนแล้วก็จะใช้เจโตก็ได้จะใช้ปัญญาก็ได้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนเนี่ยได้อย่างดี แล้วได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเร็วด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะพูดตรงนี้ก็ย้อนกลับมาตรงที่อาตมาพูดว่ามันก็เหมือนกับคนเราเนี่ยก็ต้องมีเมตตามีอุเบกขาอยู่คู่กันอย่างเงี้ยก็คือมีเจโตมีปัญญาอยู่คู่กันมันถึงจะยอดเยี่ยมที่สุดเป็นกลางที่สุดแลนะเป็นทางสายกลางเป็นความอะไรอ่ะ สูงสุดของศาสนาความโต่งนี่ยังนะจะเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตตินี่ยังไม่สูงสุดนะมันสูงสุดก็คืออุปโตภาควิมุตติทั้งสองส่วนเลยแล้วมฝากพวกเราเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยก็เมตตาเกินประมาณไอ้ที่เขาเอาใส่ไว้ในเทปอะไรนะถ้าเมตตาเกินประมาณจะอะไร ะจะอะไรนะจะอะไรคนพานนะจะพบคนพานทั่วบ้านทั่วเมืองเออนั่นแหละก็สำนวนที่เราก็เคยได้ยินได้ฟังมาอนั่นนั่นแหละถ้ามันเกินไปมันก็มันไม่พอดีเนี่ยนั่นก็คือตโตนันเองเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีเมตตาแล้วมีมีอุเบกขามาทวงทวงคือสายปัญญา มีเจโตมาทงทวงน่ะใช่ไหมมันก็จะเออไม่ไม่เกินประมาณไปแล้วคราวนี้มันจะพอดีขึ้นมาแล้วใครที่พอดีเนี่ยมาบอกได้เลยสิ่งสำคัญก็คือทำให้คนอยู่รอบข้างมีความสุข <c oughs> ใครที่พอดีพอดีได้เนะี่ยคนอยู่รอบข้างจะค่อนข้างมีความสุขเพราะว่าอะไรคนอยู่รอบข้างมันก็มีทั้งสองสายใช่ไหมก็มีทั้งสายเจโตมีทั้งสายปัญญา เพราะงั้นมันก็จะเข้ากับเขาได้แล้วก็จะช่วยเหลือก็ได้โดยจะแก้เขาได้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีทั้งสองส่วนเนียเอาสมมติสมมติเอาอาตมาเป็นสายนึงอย่างเงี้ยใครมาทำงานด้วยกับอาตมาก็บอกแล้วสายเดียวกันก็มีความสุขด้วยกันหน่อยถ้าคนเราสายมาเราเริ่มทุกข์เลยทั้งทั้งผู้บริหารก็ทุกข์ทั้งบางทีผู้ที่มาร่วมงานด้วยก็อาจจะทุกข์ มันจึงบอกว่าเนี่ยในสังคมพวกเราถ้าจะอยู่ก็แล้วมีความสุขมากขึ้นนะพยายามอย่าไปโตงให้มากโตงมากแล้วมันมันมันไม่มีความสุขหรอกหรือบางทีเราสุขก็สุขเฉพาะเราแต่คนอื่นก็ไม่สุขด้วยอ่านะแล้วก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเขาเนี่ยบรรลุได้ไหวด้วยเพราะงั้นการบรรลุได้ไวเนี่ยมันมันนะมันต้องมีความพอดีพอเหมาะพูดอย่างนี้ก็อย่าไปเข้าใจไปอีกนะ เลยเดี๋ยวทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวอย่างพ่อท่านบอกความพอดีก็คือสมมุติว่าถ้าเป็น1ิบอย่างเงี้ยก็ต้องหารสองคือ5ไม่ใช่นะความพอดีความพอเหมาะหรือว่าความเป็นกลางมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาันบางทีเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีทั้งสองส่วนนี้แล้วเราจะใช้ได้อย่างพอดีพอเหมาะเราจะใช้ได้อย่างถูกต้องเราจะใช้ได้ทั้งสองส่วนแต่ตอนนี้ก่อนจะใช้ไปเนี่ย มันต้องฝึกตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยให้พยายามพอดีให้ได้ให้มีทั้งสองส่วนนี้ให้ได้ถ้าเรารู้ว่าเราตโตงเจโตมากๆเอาเอาบัญญาเข้ามาเพิ่มให้มากขึ้นเสริมให้มากขึ้นเราจะได้พอดีแล้วถ้าเราเป็นคนพอดีขึ้นมาเอาเราจะได้ไปเวลาให้คนอื่นเขามันจะได้ให้พอดีได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนขึ้นใครตโตงบัญญามากๆอ่อนเจโตนะักเอา เอาเจโตเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยพอดีมันอย่างนี้แหละเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่มันจะเท่าที่สังเกตนะส่วนใหญ่ที่พวกเราเนี่ยจะหงุดหงิดมั่งจะไม่ค่อยอยู่กันผาสุขมั่งอะ่ะเพราะว่าสองสายชนกันแม่น้ำสองสายไหลามารวมกันที่จริงมันน่าจะเป็นสายใหญ่ขึ้นนะ แต่อันนี้นี่บางทีเผลอๆจะนาาสังวาสเอาว่ามันจะขัดแย้งกันบางทีมันจะกลายเป็นขัดแย้งซึ่งนั่นๆไปดูเถอะถ้าไม่ตรงเกินไปเนี่ยมันไม่ขัดแย้งหรอกมันจะหาข้อยุติหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็ไปกันได้อย่างดีถ้าไม่ตรงกันนะเพราะคนตรงเนี่ยจะไม่ยอมถ้าตรงแล้วมันยอมไม่ค่อยลงมันก็ต้องให้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่ตตงเนี่ยแล้วเราพยายามเพิ่มให้เรามีทั้งสองสายทั้งสองส่วนนี้อยู่ใช่ไหมมันก็เออมันก็จะเข้าใจอีกส่วนหนึ่งได้บ้างและไอ้ความเข้าใจได้บ้างเนี่ยมันทำให้เออพูดคุยตกลงกันได้แล้วก็ปณีปนอมได้แล้วมันก็จะทำให้แบบว่าอะไรก็ทำงานกันไปได้นะเอาตกลงอย่างนี้นะอย่างนั้นนะอะไรแล้วมันก็จะอยู่ร่วมกันอย่งางภาข ไม่ใช่ไม่ใช่ผาสุขแค่เปลือกเปือกแค่ภายนอกด้วยมันถึงจิตวิญญาณเลยว่าจิตปัญญาณเนี่ยมีความสุขจริงๆและความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเราบอกเนี่ยญาติธรรมบ้างเราใช้ว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยามาอยู่ร่วมกันนี่เราเป็นพี่เป็นน้องจะได้รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องจริงๆในจิตวิญญาณไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจารย์มาถึง บ, บอกมางที่สายตรงสายต่างกันมากๆครับ ไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเท่าไหร่เพราะมันจะงัดข้อกันอยู่เรื่อยออแต่ยังดีว่ายังมีบุญบารมีสะสมนะก็เลยแบบว่าอะไรอ่ะมันมีเชือกที่ร้อยอยู่ร่วมกันได้มันก็เลยยังอยู่ร่วมกันได้แต่บางทีจิจริงๆมันมันยังอนะ่ะมันยังไม่เป็นพี่เป็นน้องจริงๆอถ้าเป็นพี่เป็นน้องจริงๆเนี่ยมันจะต้องรู้สึกดีๆกัน รู้สึกเข้าใจกันเห็นใจกันแล้วก็เออจะตกลงไปนยังไงที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าความเป็นพี่น้องไม่ได้หมายความว่าต้องคิดตรงกันต้องคิดเหมือนกันต้องเป็นจริตอย่างเดียวกันมันไม่ใช่อยู่แล้วนะมันมีความต่างจริตกันอยู่แน่นอนแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกและสัจจะความเป็นจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะถ้าใครเนี่ยไม่สามารถ เข้าใจแล้วก็ปรับทิฏฐิปรับความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ได้มันก็อยู่กันได้แต่มันมันไม่ค่อยอบอุ่นเพราะฉะนั้นความอบอุ่นจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องพยายามเข้าใจกันจนได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะออกไม่เชิงตัวใครตัวมันมันมันจะออกมาเนลักษณะตัวใครตัวมันนะเออมันก็จะไม่พึ่งพาไม่ช่วยเหลือไม่อาศัยซึ่งกันและกัน เวลาจะติหรือเวลาจะว่าหรือจะอะไรกันทีก็จะค่อนข้างรุนแรงก็จะกลายไปอย่างนั้นนะเอ้ า, า, อาวันนี้ก็คงพูดเท่าที่คิดได้ <c oughs> นะหวังว่าเอา้าก็คงเอาสาระเอาประโยชน์ไปนะไปใช้ตามควรที่เราคิดว่าพอจะรู้เข้าใจแต่ถ้าง ง, ง, งสงสัยก็มาถามได้นะ <c oughs> อามันยังกงบทันนี้